ณีบุญบางคนมีเงินแต่ไม่มีวาสนาไม่เห็นคุณค่าของการทำบุญถวายกับท่านข้าพเจ้าบอกเลยว่าบุญวาสนาเขาน้อยไม่ต้องไกลอื่นไกลพี่เคยของข้าพเจ้าเองวิญญาณเขามาหาข้าพเจ้าที่นี่มาขอร้องให้ไปบอกภรรยาเขาซึ่งก็คือพี่สาว ข, ของข้าพเจ้าว่าให้เอาเงินส่วนของเขาไปถวายหลวงตาให้หน่อยเขามีเงินเยอะเพื่อที่ว่าหลวงตาจะได้ส่งบุญไปให้เขา พอข้าพเจ้าไปบอกพี่สาวเขาก็บอกว่าหลวงตามีเงินมากแล้วเขาจะไปทำของเขาเองข้าพเจ้าจึงบอกพี่สาวว่าชาติหน้าพี่เขยเขาไม่เลือกเธอหรอกน่าเสียดายคิดดูนะพอเอาเงินถวายพระเดชพระคุณท่านปับ๊บท่านจะส่งบุญให้เจ้าของทันทีเลยทําบุญกับท่านแล้วบุญต้องถึงแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการเลือกทาบุญเหมือนการเลือกที่ทานา ต้องเลือกที่ดีๆเนื้อนาดีต้องเลือกที่ที่อุดมสมบูรณ์จึงจะเป็นเนื้อนาบุญนี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อเลือกทําบุญกับพระที่ท่านดีประเสริฐผลบุญก็จะเกิดกับเจ้าของได้ไวแต่เวลาทําบุญใหญ่อย่างบุญกระถินหรือผ้า ป, ป่าก็อย่าไปเกี่ยงคนทําบุญร่วมเราไม่มีสิทธิ์เลือกคนทําบุญร่วมถึงแม้บางทีเขาไม่ดีตรงจุดนั้นจุดนี้บ้างเราก็ค่อยๆถนอมกันไว้ค่อยๆทําไปค่อยๆล้างกันไป เดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเองเรื่องการอุทิศบุญกุศลเนี่ยก็สำคัญก่อนจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ใครเราควรตั้งนโมสมจบก่อนตามได้บทบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบารมีพระรัตนตรัยช่วยถ้ามีครูบาอาจารย์ก็อธิษฐานขอบารมีท่านร่วมด้วยเพราะถ้าเป็นระดับจิตธรรมดาแล้วอั น, นิส่งแห่งบุญนั้นน้อยก็อาจส่งไปไม่ถึง หากเป็นหลวงตาซึ่งจิตท่านสูงถึงแม้เราไม่ได้อธิษฐานแต่บารมีของท่านจะช่วยส่งอานิสงค์ผลบุญของเราให้กับคนนั้นได้แต่การที่ใครเขาจะรับผลบุญกุศลได้หรือไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับภพบภูมิที่เขาอยู่อีกด้วยประเภทที่เคยร้ายมากๆถ้าเขาลงไปอยู่ลึกๆก็ต้องรอคอยกันนานหน่อยนี่ขนาดยังไม่เห็นเองเพียงฟังท่านเล่าก็น่ากลัวแล้วแต่ถ้าเป็นวันที่หลวงตาท่านเปิด3ามแดนโลกธาตุ วันนั้นก็ได้รับกันทั่วถึง